พวกพิสูจชวพักีมีธุระต้องเดินผ่านกองทัพได้พักแรมอยู่ในกองทัพเกินสามคืนพวกพลรบตำหนิพระนามโคนธนาว่าฉะนั้นพวกสํานัาเชื้อสายสกยตบุตรจึงพักแรมอยู่ในกองทัพเกินสามคืนเล่าไม่ใช่เป็นลาบของพวกเราพวกเราได้ไม่ดีที่พวกเรามาพักแรมอยู่ในกองทัพก็เพราะการครองชีพเพราะต้องเลี้ยงดูบุตรภรยาภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกพลรบเหล่านั้นตำหนิ ประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพาคันตําหนิประนามโพลธนาว่าชไนพวกภิกษุชาวพัีจึงพักแรมอยู่ในกองทัพเกินสามราตรีเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาวพัปปีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ